พระอนุบัญญัตสามร้อยสิบสามอันหนึ่งภิกษุใดไปดูกองทัพที่เคลื่อนขบวนออกรบนอกจากมีเหตุผลที่สมควรต้องอบัติปาจิตตีเรื่องภิกษุรูปหนึ่งจบ